บัดนี้จะแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของปิจิกิชานิวรซึ่งแสดงความสงสัยออกมาในลักษณะต่างๆนั้นถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในการศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรม แล้วก็มีอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันคือเราอาจจะขจัดความเครืบแคลงสงสัยได้แล้วในขั้นตอนหนึ่งแต่พอถึงอีกขั้นหนึ่งก็เกิดเป็นความเคลือบแคลงสงสัยขึ้นไปอีกจนกว่าจะเกิดญาณที่ข้ามพ้นความสงสัยไปได้ความสงสัยจึงจะหมดไปได้อย่างแท้จริง ดนความสงสัยที่จริงแล้วก็คือลักษณะของอวิชชาหรือโมฆะนั่นเองเวลาท่านจับแนกแสดงก็คล้ายๆกับเรื่องของอวิชชาแต่ก็มีความรุนแรงเบาลงมา ก, กว่ า, าวิชาต่าง น, นแต่กล่าวมาถึงเรื่องความเครือแรงสงสัยในพระพุทธเจ้ากับพระธรรมพระสงฆ์และในิตรยสิขาสตริขาที่จริงก็คือธรรม ในกลุ่มธรรมที่เราเรียกว่าภาเวตประธรรมคือธรรมะที่บุคคลลงมือประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็จะทําหน้าที่ป้องกันกิเลสขจัดกิเลสเสริมสร้างความดีและรักษาความดีเอาไว้ตล้วนองเดียวการรับประทานอาหารซึ่งเมื่อรับประทานไปแล้วก็จะทําหน้าที่ขจัดความหิวขิวเพิ่มความอิ่มเพิ่มเรี่ยวแรง แลาก็ทำโรงรัษาชีวิตของบุคคลเอาไว้ประเด็จริงๆก็คงอยู่ที่การรับประทานอาหารซึ่งมีคุณค่าของอาหารนอกนั้นจะเป็นปฏิกิริยาที่ต่อเนื่องกันไปจากการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าธรรมะในกลุ่มนี้ท่านสรุปรวมเป็นศีลสมาธิปัญญาซึ่งที่จริงก็คืออริยมรรคแปดประการ พระเจ้าเมือทรงแสดงธรรมะอยู่เป็นเวลา45พรรษาในพรรษาสุดท้ายจะเนจะเน้นอยู่สองหัวข้อคือเน้นที่เรื่องของอริยสัจทั้ง4ี่เป็นการเป็นการแสดงโดยสรุปแล้วธรรมะภาคปฏิบัติก็จะทรงเน้นสิ่งที่เราเรียกว่าสารธรรมคือธรรมะที่เป็นสาระเป็นแก่นในแต่ละชั้น ของการประพฤติปฏิบัติมีอยูห5ประการก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตตและวิมุตติญาณทันสนักศีล ส, สมาธิปัญญานั้นเป็นตัวเหตุที่เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติไปแล้วไปถึงขั้นตอนแต่ละขั้นตอน จิต ก, ก็จะหลุดพ้นจากอับนาจกิเลสทั้งอย่างหยาบอย่างกลางแลวก็อย่างละเอียดอย่างละเอียดก็จะหลุดพ้นที่ระนิดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงหมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิงโดยอาสวัขยานใจถ้าก็หลุดพ้นไปโดยลำดับจนถึงหลุดพ้นอย่างแท้จริงและมียานคือความรู้ผุดขึ้นภายในใจ ว่าเราได้รู้ได้หลุดพ้นแล้วได้เป็นการหลุดพ้นที่กำเริบได้หรือกำเริบไม่ได้เพราะการหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสบางอย่างนั้นสามารถกำเริบได้คือเปลี่ยนแปลงได้เช่นกระทบอารมณ์อย่างหนึ่งวันนี้ไม่โกรธวันต่อไปอาจจะโกรธก็ได้นอารมณ์อย่างเดียวกันเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งไม่เกิดความโลภ ในขนาดหนึ่งที่ขนาดหนึ่งอาจจะเกิดความโลภ ก, ก็ได้หรือแม้แต่แความเห็นผิดหรือโมฆะก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบางครั้งอาจจะสงบไปได้บางครั้งอาจจะเกิดขึ้นมาได้ในช่วงจิตหลุดพ้นจากอํานาจกิเลสโดยลักษณะนี้อาจจะทิ้งช่วงสั้นช่วงยาวก็ได้เชนว่าท่านที่บําเพ็ญเพียรระดับจิตใจ ผ่านขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติสมาธิระดับฌานทั้งเข้าฌานกับท่านอยู่เรื่อยๆแล้วก็อยู่ในป่าแบบฤาษีชีพไร้ทั้งหลายอารมณ์ก็แทกกระทันแรงแรงซึ่งยั่วยุให้เกิดความก น, นัดขัดเครื่องไม่มีมากพอท่านก็สงบอยู่ได้สงบอยู่ได้ตราบที่ท่านยังไม่โดนท้าทายไม่ได้พิสูจน์ทดสอบจากอารมณ์ภายนอก ซึ่งคนนี้เมื่อศึกษาวันณคดีตามพระพุทธศาสนาก็ทำให้าารบพบว่ามีบุคคลเป็นมากที่หลุดพ้นได้ในระดับนี้แล้วแต่ประเจออารมณ์มากระทบหรือบางครั้งก็มีลักษณะกระแทกใจท่านก็กระเทือนวันไหวไปตามอันาตอรารมณ์ต่อนั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงบางทีก็เปลี่ยนแปลงหายไปเลยบางทีก็กลับฟื้นคืนมาได้ กาลุพ้นในระยะนี้จึงทิ้งช่วงยาวกว่าสมควรกระยาสาเท่าทิชฌานท่านยังไม่เสริมแต่ก็เป็นเป้าประสงค์ในขั้นตอนของการเดินทางไม่ใช่เป้าประสงค์หลักต้องการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพราะเป้าประสงค์หลักจริงๆนั้นก็คือการเข้าสู่กระแสของปฏิภานซึ่งเป็นการหลุดพ้นที่ไม่กําเริบ ใช้คำว่าอากุปรธรรมคือจิตดุดค้นโดยไม่กำเริบอีกต่อไปก็เรียงเป็นขั้นตอนตามลำดับเป็นพร ะ, ะบุคคลสี่ประเภทอย่างที่ทราบกันแต่ละขั้นตอนนั้นเรื่องของความเครือดแครงสงสัยเป็นปัญหาใหญ่จะเดินได้หรือเดินไม่ได้ก็ต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ไปก่อนถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้ก็จะเดินไม่ได้ ไม่ต้องพูดไกลจนถึงระดับสมาธิหรือระดับมรรคผลนิพพานแต่แม้ระดับการให้ทานรับการที่จะส ง, งเคราะห์นเคราะห์ช่อยเหลือเกื้อกูลกันถ้ายังมีความเครือบแรลงสงสัยในวัตถุในเรื่องราวในบุคคลที่เราจะต้องใายจะต้องสงเคราะห์การสงเคราะห์ก็เกิดขึ้นไม่ได้การให้ก็เกิดขึ้นไม่ได้มาดูที่จิตว่าทําไมจึงให้ไม่ได้ทั้งทั้งที่ศรัทธาก็มีกําลังทรัพย์ก็มี บอกว่าความเคลื่อนแปงสงสัยยังมีอยู่กาแสดงศรัทธาก็หย่อนมม่มีมากพอที่จะกระจักความเคลื่อนแปงสงสัยได้การให้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ยที่บอกไปแล้วว่าความสงสัยในระดับศีลซึ่งทรงสแสดงอนิสงส์ไว้โดยนิยามต่างๆแต่ในส่วนของท้ายศีลเอง คำบุคคลจะเข้าถึงสุกติได้ก็เพราะศีลสมบูรณ์ในภพกสสมบัติได้ก็เพราะศีลบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะศีลหรือคนนี้ถ้าหากก็พอนำ ม, มาคิดมันก็จะมีปัญหาทางในด้านสุกติทางด้านภพกสมบัติและด้านมรรคผลนิพพานเพราะอะไรเพราะว่าสุกติก็ดีนิพพานก็ดีนั้นยังไม่ถึงภพกสมบัตินั้น เนื่องจากคนเรามีความโลภต้องการได้มากๆแล้วก็ได้เร็วๆเมื่อไม่ได้ตามที่ตนคิดว่าควรจะได้หรือว่าได้น้อยไปจากที่คาดหมายเอาไว้มันก็กลายเป็นความคลุ้แคล่งสงสัยในตัวศีลก็ศีลจะบรหนวยพวกสมบัติให้จริงหรือไม่แม้ในด้านสุคติ แต่เกิดเป็นความเครียดแครงสงสัยในขั้นตอนของความมีสุคติหรือมีทุคติหรือไม่ความฝ่ายผันที่จะได้เข้าถึงสุคติมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะในเรื่องเหล่านี้ท่านจึงแสดงเรื่องหลักของโยนิโสมนัสิการว่าเป็นตัวจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้ก็อยู่ที่กำลังโยนิโสปนัสสิกาือการใช้ปัญญาพิจารณาทบทวน เทียบเคียงตรวจสอบแล้วต้องดูที่จิตของตัวเองให้ได้หลังจากดูที่อื่นมาแล้วจะเรื่องราวจากบุคคลจากเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวพระพุทธวจนะแล้วก็ต้องดูที่จิตตัวเองให้เห็นโภพทระซย์แปลว่าสิ่งที่นําความปลื้มใจมาให้เรียกว่าบริโภคใช้สอยด้วยความปลื้มใจด้วยความเอื้อปลมใจไม่เยิยไม่มีความวิปฏิสานใจ ที่จรงท่านกน็ไม่เน้นที่ปริมาณเพราะปริมาณนั้นเป็นตัวประกอบอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเนื่องจากการบริโภคด้วยความปลื้มใจนั้นสิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เราบริโภคจะต้องไม่มีปัญหาทุกขั้นตอนทั้งการได้มาทั้งการบริโภคใช้สอยทั้งการครอบครองเห็นว่าสิ่งที่เราได้มาในทางทุจริตอาจจะช่อโกงอาจจะค้าของเถื่อนได้มา แม้จะเป็นเครื่องระดับราคาแพงแม้จะเป็นบ้านเรือนที่ราคาแพงก็ใหญ่โตยังไงแต่ก็เหมือนหนามต่ำตาต่ำใจยิมนโนธรรมสานึกเกิดขึ้นสูงแล้วจะรู้สึกวิปฏสสารใจในการต้องบริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านั้นเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะไม่ควรเป็นการได้มาในทางที่ไม่ชอบตามเพราะงั้นจึงไม่นำความรื้ใจมาให้ ทีนี้ถ้าจะดูนิพพานนิพพานระดับศีลมันก็เป็นนิพพานระดับหนึ่งนิพพานในที่นี้เป็นการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์นั่นคือโดยเนื้อหาเป็นอย่างนั้นแต่เพึงสังเกตว่านิพพานนั้นเป็นคําหนึ่งในหลายๆ10คําที่พระเจ้าทรงใช้หมายถึงการดับกิเลสและเพลิงทุกข์เจนวะเรียกว่านิโรธ เรียกว่าปราศจากสิ่งเสียดแทงคือไม่มีสิ่งที่เสียดแทงใจก็ไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจอาจจะไม่มีช่วงสั้นช่วงยาวหรือว่าช่วงถาวรตลอดไปดังกราวก็ได้แล้วมื่ะท่งแสดงให้ดูนั้นจะให้ดูในช่วงสั้นๆไปก่อนเป็นยกตัวอย่างทรงแสดงในรูปของอานิสงส์ ในส่สนของศีลว่าบุคคลจะสมบูรณ์ด้วยโภุคสมบัติได้ก็พระศรีลเราก็มองในจุดนี้สิ่งนี้นำความปลื้มใจมาให้จะมากหรือน้อยนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเงื่อนไขในการสมบูรณ์ด้โยพหุคสมบัติไม่จะอยู่ที่ศีลอย่างเดียวอยู่ที่ความเพียรพยายามดูที่วาสนาบารมีของบุคคลเป็นต้นเข้ามาประกอบด้วย เรื่องเกียรติคุณอันดีงามของผู้มีศีลจะฟุ้งกระจรยไปเป็นที่ยอมรับน้ำถือของบุคคลทั้งหลายลเราก็ต้องนำเรื่องเหล่านั้นมาคิดอีกคิดถึงใครที่ไหนก็ได้หลวงพ่อหลวงปู่ที่ดังๆเด่นๆคนดีทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตายไปแล้ว เรไม่ได้รูปร่างหน้าตาของท่านได้ยินชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านก็สาวลึกลงไปว่าอะไรเป็นตัวผลักดันให้เกิดเกียรติคุณแพร่หลายไปที่ยอมรับยกจ้องของบุคคลทั้งหลายบุคคลก็จะเจอตัวศีลตัวธรรมะที่มีอยู่ในบุคคลด่งนั้นเพราะการกระทาที่ได้รับกรรมยกย่องสันเสริญ จ, จากบุคคลทั้งหลายนั้นไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตาม จะต้องเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นจากการกระทําดีเจตนาที่ดีแล้วก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาเป็นผลที่บุคคลสัมผัสได้การระดับกายวาจานั้นก็คือกายวาจาที่ได้มีการควบคุมเอาไว้ไม่รู้อํานาจแก่อารมณ์ของกิเลสอาจจะเรียกในที่อื่นเรียกเป็นกฎหมายเรียกเป็นระเบียบกฎเกณฑ์กติกาในต่างๆก็ได้แต่ในพุทธศาสนานั้นเรียกว่าศีล เรียกวินัยบางทีก็เรียกวัจนยาที่ควรประพฤติหรืออาจาระที่ควรประพฤติมันก็อาจจะต่างกันโดยชื่อแต่โดยเจตนารมณ์โดยอาการโดยผลที่เกิดขึ้นก็นเป็นเรื่องเดียวกันบุคคลก็มองดูว่าสามารถสงบระงรับดับความทุกข์ในกรณีนั้นๆไปได้ไหมจะนึกเรียกศีลเป็นเบญจะเ ว, น, เว น, นะวิตร น, น จะงดเว้นจากเว้นจากภัยบุ้คนงดเว้นจากการฆ่าการบเปลี่ยนคนอื่นตัวเองจะถูกฆ่าจะถูกเปลียนเบลียนหรือไม่ผมงดเว้นจากการถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไปได้ให้จะงดเว้นจากเว้นภัยในด้านนี้ได้ไหมก็เว้นจากการรับติดผิดในทางประเภณนี้ตัวเองจะงดเว้นจากเว้นภัยด้านนี้ได้ไหมซึ่งแน่นอนอาจจะมีอะไรสับสนอยู่ พอเราก็พบว่าคนดีนั้นถูกเบียดเบียนแบทุสรายอยู่ก็มีเป็นน้อยไม่นจะดีสามัญคือดีวิสามัญอย่างพระอาหารหันต์ทั้งหลายมันก็มีการเบียดเบียนกันเช่นตัวอย่างพระองค์ุลิมานเทระถูกคว่างปามีบาดแผลมีเลือดโชกเวลาไปบิณฑบาตหรือถ้ามองตรงนั้นว่าทําไมคนจึงคว่างป่าพระ แตไมใครปลานกหญิงสัตว์แล้วมาถูกอบพระองคุริมานคือ้ามองตรง น, นั้นมันก็มองไม่ออกก็ทําไมคนยังต้องทําอย่างนั้นไม่ดูไม่赖แต่ก่อนว่าพระท่านเดินมาทําไมคว่างป่าแล้วไปถูกอบพระแต่ตะมองย้อนก็ไปสู่อดีตของท่านถึงก็ไม่ต้องไกลอะไรเราก็เชื่อมโยงได้ว่า น, นี้คือผลกรรม นี่คือผลแห่งกามที่ท่านกระทำเอาไว้คนเล่านั้นไม่ได้เจตนาแต่ว่าแรงผลักดันของกามนั้นจะทำให้ท่านต้องประสบความทุกข์ทรม า, านตอนนั้นหรือการมองโจนทีขฆาพระโมคคัลลานเทระหรือถ้าเรามองจากจุดนัน้นก็รู้สึกว่าคนดีขนาดนี้ยังไม่พ้นถูกรังแกถูกเบียดเบียนถูกประทุษราย และเราจะทำความดีไปทำอะไรก็อา จ, จะท้อถอยหมดกำลับบงใจในการกทำความดีก็ได้จึงบรรดานเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแม้ในสมัยพุทธกาลพิสูจน์เองก็โผธนาว่าพระดีพิเศษขนาดนี้ทำงานรับใช้าศาสนาประชาชนมาตั้ง4ี่สิบกว่าปีไม่ได้สร้างเวทสร้างภัยในกับใครเลยแต่ทำไมต้องมาถูกฆ่าอย่างนี้ได้ คนพูดตรงนั้นมันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ต้องย้อนอดีตกันดูพระเจ้าจึงนาเรื่องอดีตแต่มาออกผลในปัจจุบันนั้นแสดงเ็นว่าการตัดสินปนัญหาบางอย่างเราตัดสินเฉพาะปัจจุบันไม่ได้เพราะชีวิตเราไม่ได้อยู่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นแต่ก็อยู่มาแล้วในวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนชาติก่อนแล้วก็ชาติก่อนก่อน เวลาเกิดความสับสนอะไรขึ้นมาจงคนดำดีถูกรังแกถูกเบียดเบียนเราก็จะบลักเหล่านี้ไปได้จิตที่เคยเครือบแคลงสงสัยในผลของศีลที่สงชัยทำว่างดเว้นจากเว้นจากใครเราก็สงบระ ง, งับลงไปได้เพราะความคิดมันเกิดเป็นระบบขึ้นมาบางครั้งบางคราวนั้นใจของบุคคลที่ ปฏิบัติไปดับสินเตงตรงใช้คำว่าอาวิปปิสารคือไม่มีความเดือดร้อนใจเราก็ดูคนทั้งหลายที่มีสินจริงๆเขาไปไหนมาไหนได้โดยปลอดโปรง่งไม่ไปเดือดร้อนอะไรไม่ต้องมีคนดูแลคุ้มครองรักษาแล้วก็มาดูที่เราเราเองเมื่อก่อนกับเราเองเดืยนนี้เราเมื่อไม่มีสินกับเราเมื่อมีสินเราเมื่อสินหนักแน่นเข้า มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นภายในจิตบ้างมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตในการไปไหนมาไหนในการเกี่ยวข้องกับกบคุคคลอื่นบ้างมันก็ต้องมองสิ่งเหล่านี้ให้เห็นแล้วเราก็จะเห็นว่าอานิสง์ทั้งหลายที่สรงแสดงเราก็สัมผัสได้ในระดับหนึ่งและบางคนก็สัมผัสได้ลึกซึ้งกว่านั้น หรืออย่างที่ทรงแสดงว่าเข้าไปในสมาคมใดกจะจงอาจราหารคันไม่ไม่ขันขข้นคล้่งขำเกรงในสมาคมนั้นเป็นคนไม่มีแผลไม่มีปัญหาพร้อมที่จะนั่งโดยเชิดหน้าเพราะเป็นยังตัวตรงมองไปข้างหน้าประสานตากับผมคนอีดได้ดูแลคล้ายๆจะทำง่ายนั่งหน้าตรง ประสานตาคนอื่นได้แต่จริงๆถ้ามีปัญหาอยู่ภายในใจแล้วจะไม่กล้าประสานตาจะต้องก้มจะต้องหลบตาหรือไม่กล้าไปหรือหลบซ่อนหรือหนีซึ่งก็เป็นอาการต่างๆที่ปรากฏอยู่ในบุคคลแต่บางคราบางคาเราก็เคยเจอกับอารมณ์นนั้นยางใดที่มีปัญหามากก็ไม่กล้าประสบตาใคร ไม่กล้าเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราไปร่วงเกินท่านเป็นตทน น, นี่ก็แสดงเห็นว่าผลของศีลและโทษของความผิดศีลเป็นเรื่องที่หยุดคิดเป็นนิพิจณานและจะเห็นได้พอเราเห็นได้ตั้งสี่ข้อข้างบนพอถึงสองข้อข้างล่างที่สแสดงว่าตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติ คือไม่หลงทำการกิริยาตายไม่หลงตายตายไปแลป้วไปบังเกิดในสุคติตอนนี้โยนิโสมนสิการเราส่องไม่ถึงปพระสติปัญญาเราไม่มากพอขนาดนั้นมาส่องไม่ถึงก็จะไปที่ไหนก็จะไปที่สัทธาแต้วสัทธาแล้วเป็นยังไงก็สัทธาก็จะทำหน้าที่ขจัดความไม่เชื่อในตอนตน้นเมื่อก็มีกําลังมากขึ้นก็จะกัดขจัดความเครือบแคลงสงสยัย เมื่อกำลังมากมากว่านั้นก็จะกระจัดกามชฉันทะคือความรักใคร่ปรารถนาพอใจดีในท่วงนั้นก็อาจจะจัดขจัดภูมมัจฉิญาคือความสนีความบุกแขนต่างๆเป็นต้นออกไปซึ่งเราเห็นว่าองค์ธรรมก็ประสานสดครองสัมคัธญกันในความว่าพอถึงจุดหนึ่ง เราใช้สตานได้เราก็ใช้ปัญญาได้เราก็ใช้ได้พอจุดหนึ่งเราใช้ปัญญาไม่ได้เราปัญญาไม่มากพอพอทานองคล้ายๆ ก, ย ก, ยกับไปในสถานที่ใดที่หนึ่งเราพูดถึงท่อนหนึ่งเราพูดได้เพราะเราเคยไปเขาก็พูดได้เราก็พูดได้ดไดแต่่าถึงอีกท่อนหนึ่งเราไม่เคยไปก็มีคนเคยไปท่านเล่าไว้ เราจําเป็นเนต้องไปในทางนั้นก็ท่านบอกว่าดีอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราไม่เคยไปแต่เราก็เชื่อท่านที่บอกแล้วเราก็ไปการปฏิบัติธรรมะในทางาศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้นบางช่วงเนี่ยใช้โยนิสมนัสิการได้เต็มที่บางช่วงก็ใช้ไม่ได้เต็มที่ ก, ทก็ต้องเกาะ อ, อิงศรัทธาไปก่อนแต่บางช่วงเนี่ยไม่มีทางที่จะไปพิสูจน์เพราะอะไรเพราะว่าโดยเฉพาะข้อสุดท้าย เขาไม่หลงตายเราอาจจะดูที่คนอื่นญาติพี่น้องของเราที่อยู่ในศีลในธรรมที่ตายยังมีสงบตายยิ้มตายไปด้วยใจที่เบิกบานแล้วก็ปล่อยวางโปรงตกพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับความตายโดยไม่รั้นขามเราก็พบเห็นได้ก็สังเกตกันได้แต่ตายแล้วไปบังเกิดในสุคติเราไม่มียานขนาดนั้นไม่มียานมันก็ต้องอาศัยศรัทธาก็สามารถที่จะกระจัด ความเครือบแครงสงสัยในระดับศีลแล้วก็ผลของศีลได้ตั่งการพูดการบรรยายก็คงเป็นเรื่องง่ายแต่การที่จะกระจัดให้ออกไปได้จริงๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ทำไมการปฏิบัติในระดับศีลของบุคคลไม่ว่าศีลระดับศีล5ศีล8ศีลอุพสดศีล 20, สศีลส0ศีล2องอะไรก็ตาม ไม่มีลักษณะก้าวรุดหน้าคือจะมีการเดินหน้าการถอยหลังอยึ่เด็กพระที่บวชมาแล้วก็ศึกก็สึกทุกไหวสึกทุกวัยศึกทุกระดับชั้นบางครั้งก็บวชมาตั้งนานก็ศึกได้นั่นแสดงเห็นถึงว่าศรัทธานั้นไม่มั่นคงมากพอก็ยังเครียดแครงสงสัยในเรื่องศีลอยู่ การเคลือบแฝงสงสัยในโลกอยู่ในสุดทั้งก็สึกก็ไปบางการในบัตรที่จะตั้งมั่นในศีลที่เรียกว่าไม่หวั่นไหวไปด้วยอํานาจความหลงภายนอกได้จริงๆ จ, ง จ, งจึงเป็นเรื่องที่จะต้องขจัดความเครือบแฝงสงสัยออกไปได้เอามากๆมากขนาดไหนมากขนาดขาดไปเลยคนที่ขาดไปเลยได้จริงๆก็คือระดับพระโสดาบันขึ้นไป พรนพสดดาบันท่านจึงตัดสังโยชต์เด็ดขาดจริงๆไอ้สี่ข้อข้อที่สองก็คือวิจิกิิชาวความเคลื่อแคลงสงสัยลังเลใจไม่แน่ใจตัดสินใจไม่ได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับปรัตนาตรัยตริขาเป็นต้นนะครับเมื่อเรากร า, ากบกลับ ม, มองที่เราจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าเอาก็จริงแล้วสีนเราบางทีก็ก็พร่อมก็แกลง คือไม่เดินไปถึงระดับอริยะกันแต่ศีลคือศีลที่พระริจเจ้ายกจ่องแต่แก่ศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ต่างไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัวไม่รักษาศีลเดิมหน้าตันหามอนาัตติชิตไม่ยกย่องตัวเองแต่วินิูุชนนั้นยกจ่องผู้ผู้สังเกตว่าการยกย่องตัวเองการเชิดชตูตัวเองนั้นเป็นอาการของโลภะ เเรียกว่าความปรารถนามากบางทีท่ทานใช้คำว่าอัติชาคืออยากได้เกินไปอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงเกินไปไม่มีใครจะเชียร์ให้เลยเชียร์เองไลแต่จริงๆแล้วการการักษาศีดนั้นท่านใช้คบว่าวินวินยูชนยกย่องสรรเสริญเป็นที่ยอมรับ้องถือของวินญูชน เาอาจจะเดินมาถึงจุดนี้คือศีลน่า จ, จะไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พ้อยเป็นไทแก่ตัวไม่รักษาเดิมหน้าตัณหามานาทิชชแล้วก็เป็นยุชนยกจ่องสันสนแต่ปัญหาว่าจิตใจน้มน้อมก็หาสมาธิหรือไม่เพราะในชั้นของศีลเช่นในปนาณาธิปา เราอาจจะไม่ถึงกับฆ่าไม่ถึงใครใช้ใครฆ่าสัตว์แต่เรายกย่องชื่นชมคนผู้ฆ่าหรือไม่เราอาจจะไม่ยกย่องชื่นชมแต่เรายินดีในการฆ่าหรือสิ่งที่ได้มาจากการฆ่าหรือว่าตัวผู้ฆ่าหรือไม่ถึงจะมีความละเอียดประณีตลึกซึ้งลงไป แล้พอถึงจุดนี้อาจจะมีปัญหาในการประพฤติปฏิบัติเพราะคนที่ศีลตั้งมั่นจริงๆจรงอยู่ระดับพระโสดบาบันขึ้นไปแต่ชั้นปุถุชนทําไมจึงตั้งมั่นอย่างไม่ได้เพราะจริงๆและรอยลากความสงสัยยังไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามีความมีความศรัทธามีความเริ่มใสจนเลื่อนลอย แต่มีความเคร่ยดแปร่งสงสัยกันอยู่ย่อมข้าวชานไม่ได้เห็นไห้ว่าทั้งหมดนั้นที่จริงก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันตัวการใหญ่จริงอยู่ที่ความเคร่ยดแปร่งสงสยัยความเครียดแปร่งสงสยัยเจนสงสัยในตาดีขาสตาห์มันก็ห่อนงอนคลอนแคลนความรุ่นสายก็เลื่อนลอยแกวงไปน้นทีแกวงไปนินทีแกวงไปนั่นที บางครั้งบางคราวศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกอ่านพุทธศาสนาสุภาษิตอยูดีๆมีใครก็ไม่รู้มาบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เออมาขัดแย้งกันที่พทธเจ้าทรงแสดงไว้เกิดสงสัยแล้วสงสัยว่าพระพุทธเจ้าจะผิดไปได้นี่คือความคิดเห็นที่เป็นอันตรายไม่ได้นำมาเทียบเคียงอะไรบางคนบางคนบอกบอนนี้พระพุทธเจ้าแสดงผิด เราชักจะคล้อยตามเข้าไปนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้านั้นยังมีอยู่ศรัทธาจึงเลื่อนรอยอยู่ความเลื่อมสายนั้นเป็นอาการผ่องใสของจิตจะโดย้ยกตัวอย่างว่าจิตสายนี้จิตสายของโมหะวิจิกจารนั้นเป็นโมหะมีลักษณะเหมือนน้าขุนธรรมดาน้ําขุนมันก็มองอะไรไม่ชัด จึงมองลึกแล้วมองไม่ได้เพราะอะไรเพราะความขุนมันปิดบังเอาไว้แม้จะส่องดูเง า, นาหน้าเราก็ยังเห็นไม่ชัดเลยเพราะนั้นจึงไม่รู้จักทั้งรวตัวเองชัดเจนและไม่รู้จักสิ่งอื่นอย่างแัดเจน ม, ฐฐมีลักษณะขุนมัวเปลักษณะเป็นฝ้าเป็ น, ปนละอองอยู่ภายในใจท่นปนัญหาเรื่องความเครียดแครงสงสัยจึงเป็นปฏกริยาที่ต่อเนื่องกัน ความเลื่อมใสนั้นเป็นความผ่องใสของจิตเช่นเดียวกับศรัทธาที่ท่านเรียกรวมรวมกันต่อต่อกันไปศรัทธาภาษาทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสถ้าเชื่อแล้วก็จิตก็ผ่องเเพ้วจิตจะไม่มีปัญหาในวัตถุในบุคคลในเรื่องราวเหล่านั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าความขุ่นมัวมันก็หายไป ความกุดมัวหายไปแล้วความอะไรหายไปก็หายก็คือวิจิกิจชาเขาหายไปอย่าน้อยที่สุกก็หายไปในขณะนั้นตอนนอนคล้ายๆกับความมืดที่หายไปเมื่อเราฉายไฟฉายเข้าไปแต่ปิดไฟฉายมันก็มือดอีกก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าช่วงที่ฉายไฟเข้าไปนั้นมันก็ความมืดก็ถูกกระจัดออกไปแสดงว่าจิตตัวนี้มันก็เดินไปถึงฌานได้ มากลับมาที่ศีลก็คือสมาธิสั่งวัตนิกะคือจิตมันโนมน้องเข้าหาสมาธิพลธรรมะปฏิบัติจึงเป็นปัจจัยเกื้อกูลสนับสนุนสึ่งกั น, กนแต่กันหมายความวถ้ายัางอยู่ตรงนี้ต่อไปมันก็ไปไม่ได้แต่ก็จัดตรงนี้ออกไปได้ต่อไปมันก็เดินหน้าได้ เราตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสึกตอ